ตอนบ่ายก็มีโยมกลุ่มนึงมาหากราบพระยังไม่ทันเสร็จนะหนึ่งในนั้นก็ร้องไห้แล้วเธอก็เล่าว่าเ่เพิ่งสูญเสียลูกลูกชายไปอายุก็ยังไม่มากนะแ8อาทิตย์ที่แล้วก็มีกลุ่มหนึ่งมานะหนึ่งในนั้นก็ คล้ายๆกันนะพอเจอหน้าพระก็ร้องไห้เพราะว่าสูญเสียลูกเหมือนกันก็ยัง อ, อยู่ในวัยหนุ่มเจอเหตุการณ์แบ น, นี้แล้วก็ทำให้นึกถึงคำสนทนาโต้อตอบระหว่างพระพุทธเจ้ากับเทวดาเทวดากล่าวว่า ผู้มีบุตรนะย่อมยินดีเพราะบุตรนะผู้มีโคนะก็ย่อมยินดีเพราะโคผู้จากตร์แกว่าผู้มีบุตรนะก็ย่อมเศร้าโศกเพราะบุตรผู้มีโคก็ย่อมเศร้าโศกเพราะโคมองต่างมุมก็เป็นความจริงทั้งคู่นะแต่คนส่วนใหญ่ก็มองด้านเดียว มีบุตรก็ยินดีเพาะบุตรมีโคก็ยินดีเพราะโคแต่ก็ไม่ตระหนักว่าบุตรแล้วก็โคก็สามารถจะนำความเศร้าโศกมาให้กับเราได้เหมือนกั น, นกับโยมที่มาหาวันนี้ก็ก็พูดตอบใจเข้าไปให้เขาได้คิดว่าลูกเนี่ยเขาก็ ทำบุญมาเพียงเท่านี้นะบุญที่ชักนำให้มาอยู่ร่วมกันนะเป็นแม่ไปลูกกันม่มันยุตินะถึงเวลาหมดบุญเขาก็จากไปมันเป็นสิ่งที่แม่เนี่ยไม่ว่าจะรักลูกเพียงใด ก็ไม่สามารถจะควบคุมหรือว่าบงการให้ลูกเป็นไปอย่างที่เราต้องการได้เราเลี้ยงได้แต่ตัวนะแต่ว่าจิตใจเขาเราก็ไม่สามารถจะเลี้ยงได้เขาก็มีความคิดของเขามีวิถีชียของเขา เมื่อมีเหตุปัจจัยที่ทําให้เขาอยู่เขาก็อยู่เหตุปัจจัยที่ทําให้เขาไปเขาก็ไปมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถจะควบคุมบังคับบัญชาให้เป็นไปาตามใจเราได้แล้วก็พูดต่อไปว่าเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นแม้ว่าไม่ประสงค์จะให้เกิดนะแต่ว่าเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ให้หาบทเรียนจากมันนะว่าเนี่ย คือสัจธรรมนะที่เกิดขึ้นกับทุกชีวิตความสูญเสียความพัดพรานะมันเกิดขึ้นกับทุกคนนะนอกเหนือจากนะความเจ็บความป่วยและที่แน่นอนอย่ยานก็คือความตายไม่ว่าเรามีอะไรจะเป็นคนสาตว์สิ่งของมันก็อยู่กับเราได้เพียงชั่วคราว ถึงเวลาก็จากไปจะจากไปในลักษณะใดก็แล้วแต่อันนี้คือความจริงที่ไม่มีใครหนีพ้นคนที่มีเชื้ออยู่ร่วมกับเราเปลี่ยนไปไม่ได้ที่เขาจะอยู่กับเราไปตลอดเปลียบเหมือนกับเรานั่งรถไฟหรือว่านั่งรถโดยสาร คนที่ขึ้นสถานีเดียวกับเราเนี่ยบางคนเขาก็ลงก่อนเรานั่งไปได้2 3สามป้ายสองสามสถานีเขาก็ลงไม่ใช่ว่าคนที่ขึ้นสถานีเดียวกับเราจะลงพร้อมกับเรามันก็ไม่ใช่แล้วก็บ่อยเขาลองดูใช่ว่าเราเคยเห็นนะมคนที่ ขึ้นรถสถานเดีย ว, ยวกับเราหรือว่าป้ายเดียวกับเราเนี่ยแล้วเขาลงสถานเดีย ว, ยวกับเราป้ายเดียวกับเราบางคนก็ลงก่อนบางคนก็ลงหลังเราเราขึ้นต้นทางนั่งไปได้สองสามสถานีส2สามป้ายก็มีคนนะขึ้นมาอยู่รถคันเดียวกับเราขบวนเดียวกับเรา แล้วเขาอาจจะลงก่อนก็ได้จะไปคาดหวังว่าแม้เขาขึ้นรถกลางทางแล้วเขาจะไปลงสถานีเดียวกับเราหรือว่าไปลงสุดทางมันไม่มีะนะลูกก็ดีนะคนรักก็ดีนะเขาก็มามีชิตร่วมโลกเดียวกันกับเราแต่ว่าก็ จ, จะไปก่อนก็ได้ และไม่ช้าก็เร็วเราก็จะต้องไปเหมือนกันส่วนคนอื่นก็ยังอยู่ต่อไปเหมือนกับว่ายัางยังนั่งรถขบวนนั้นเนี่ยไปเรื่อยๆให้เรานะไม่รู้ว่าจะลงเมื่อไหร่นะสถานีหรือว่าลงไป้ายไหนก็ยังไม่รู้แต่ก็จะยังมีคนนะไปต่อนะเขาก็ไม่ได้ ลงสถานีเดียวกับเราหรือลงป้ายเดียวกับเราอันนี้มันคือความจริงของชีวิตนะที่มันก็เกิดขึ้นนะให้เรานะศึกษาเรียนรูนะ้เมื่อมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วนะเราก็ให้ถือเป็นบทเรียนหรือว่าสิ่งแสดงศัจธรรมให้เราเห็น เพื่อที่เราจะอยู่ในโลกนี้ได้ด้วยใจที่เป็นปกติสุขเพราะว่าไอความพัดผ้าสูญเสียมันจะไม่ใช่เกิดเพียงเท่านี้มันก็จะเกิดมาเรื่อยๆในระหว่างนั้นก็จะมีของใหม่ได้ของใหม่มาแต่ว่าทุกครั้งที่เรามีของใหม่ได้อะไรมาก็ตามก็ต้องเตรียมใจว่า สักวันหนึ่งมันก็ต้องไปได้มามากน้อยแค่ไหนสักวันหนึ่งก็ต้องหมดนี่เป็นธรรมดาชีวิตคนที่ยอมรับความจริงไม่ได้เนี่ยก็จะทุกข์นะอย่างในสายพุทธการก็มีผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเก่งมากฉลาดฉลาดจนกระทั่งได้ไปอยู่ในครอบครัวที่มีฐานะร่ำรวย เดิมตัวเองก็เป็นเด็กยากจนนะแต่ แ, แสดงความฉลาดจนกระทั่งได้แต่งงานกับมานพหนุ่มซึ่งมีฐานนะชีวิตก็น่าจะราบรื่นไปด้วยดีเรียกว่ากำลังจะเจริญลูกเรืองนะและยิ่งอยู่กินกันไม่นานก็มีลูกน้อยแต่แล้ววันหนึ่งลูกที่น่ารักนะก็เกิดตาย จากไปอย่างกระทันหันนางกีสากโคตมีนี่ทำใจไม่ได้ยอมรับไม่ได้ว่าลูกตัวเองตายแล้วก็อุ้มศพลูกไปให้ใครต่อใครช่วยชุบชีวิตให้ฟื้นขึ้นมานะเธอยังเชื่อว่าลูกเนี่ยนะสามารถจะฟื้นคืนกลับมาได้ใครๆก็ใส่หัวบอกว่าลูกเธอตายแล้ว แล้เธอก็ไม่ยอมรับไปหาคนนั้นคนนี้ให้ช่วยช่วยทีช่วยทียทจนถ้ามีคนแนะนําว่าให้ไปหาพระเจ้าเสียพระองค์น่าจะช่วยได้นะนางก็ดีใจมีความหวังอุม้มศพลูกไปหาพระองค์ที่เชตวันพระองค์เนี่ยเห็นอากับกิริยาของนากีสาวกตมีก็รู้ว่าสอนทำให้ไม่ได้ จะม า, าจะสอนว่าเนี่ยความตายเป็นธรรมดาของทุกชีวิตคนเราเกิดมาแล้วก็ต้องพัดพาคสูญเสี ย, ยทุกอย่างล้วนแต่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพระองค์ไม่ตัดสอนแบบนี้เลยกลับพูดว่าเนี่ยเราช่วยเธอได้ถ้าเธอหาไม่ผักกาจากบ้านที่ไม่มีคนตาย นางได้ฟังอย้นก็ดีใจอุ้มศพลูกไปเข้าไปในเมืองไปถามใครต่อใครบ้านด้านบ้านนี้ว่ามีเม็ดผักกาดไหมก็ได้คําตอบว่าทุกบ้านมีเม็ดผักกาศแต่พอถามว่ามีคนตายหรือเปล่าบ้านเนี้ก็ได้คําตอบว่ามีคนตายคนสมัยก่อนก็ตายที่บ้านด้วยบ้านนี้ก็พ่อตายบ้านนี้แม่ตายบ้านนี้ตา ตายบ้านนี้ยายตายบ้านนั้นลูกตายบ้านแล้วบ้านเราก็มีแต่คนตายทั้งนั้นชิญน้อยชิญน้อยนางกิสากรตมีก็เริ่มตะหนักว่าความตายนี่เป็นธรรมดาของทุกบ้านทุกครอบครัวไม่ใช่เธอเท่านั้นที่สูญเสียคนอื่นก็กสูญเสียเหมือนกันก็เริ่มอยอมรับความจริง คืออย่าลความตายของลูกได้ความเศร้าโศกก็ลดลงนะแล้วก็เอาศพลูกเนี่ยไปเผาเสร็จแล้วก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทีนี้พระองค์แสดงธรรมแล้วนะว่าน้ำป่าเนี่ยยอมพัดพาผู้ที่หลับไหลชันใดนะมรตยุก็ย่อมพัดพาผู้ที่หลงไหลในบุตรในคนรักในทรัพย์สมบัติฉันนั้น นางฟังแล้วก็พิจารณาตามก็เห็นจริงนะด้วยประสบการณ์ที่เพิ่งผ่านมาสดๆห ม, ดห ม, ดหมดัดๆคำสอนพระองค์นี่ก็เรีออยกว่ายังลึกเข้าไปในใจเนี่ยจนถึงก้นบึ้งเลยก็ว่าได้แล้วปัญญาก็เกิดขึ้นนางก็ได้บรรลุปเป็นพระโสดาบันในตอนนั้นเองน่าคิดนะคนที่ เพิ่งฟูงไฟ์เศร้าโศกจนกระทั่งลืมเนื้อลืมตัวไปเมื่อไม่กี่ชั่วโมงแต่มาถึงตอนนี้กลายเป็นพระรยาเจ้าไปซะและ้วอันนี้เรียกว่าเพราะได้เรียนรู้จากความสูญเสียถ้านางไม่สูญเสียลูกก็คงยากนะที่จะบรรลุธรรมแค่ความสูญเสียก็มีประโยชน์นะมัน ยิ่งสูญเสียคนรักมาเท่าไหร่มันก็ยิ่งขยานะขยา ว, วิชาขยาวความหลงนะให้หมดไปพอมีคนมาแนะนำพูดให้ได้คิดนะปัญญาก็เกิดอันนี้คือสัจธรรมความจริงที่เราต้องเรียนรู้แล้วก็เปิดใจรับนะทำแต่ความดีไม่พอนะทำดี แล้วก็ละชั่วหรือไม่ทำชั่วเนี่ยสองข้อนี้ก็ถือว่าเป็นความประเสริฐแต่ว่ายังไม่พอต้องมีข้อที่3การฝึกจิตนะหรือที่ในโอวัตถปฏิโมที่เราเพิ่งสาธยายก็บอกว่าการชำระจิตของตนให้ขาวรอบนะ้เราจะเอาแต่ทำบุญใส่บาตรถวายสังฆทานหรือแม้แต่รักษาศีล แค่นี้ยังไม่พอนะเพราะว่ามันยังไม่ใช่หลักประกันว่าจะไม่เจอทุกนะเพราะว่าคนเราทําดีแค่ไหนก็ยังหนีไม่พ้นความสูญเสียคนที่สูญเสียไม่ใช่มีแต่คนชั่วคนเลวคนดีคนประเสริฐก็สูญเสียเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าเรามีปัญญาเห็นความจริงพิจารณาถึงความจริงของชีวิตยอยู่เนืองๆสม่ําเสมอ เนะตือนใจนะให้ตระหนักว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเรามีความพัดผ้าสูญเสียเป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาถึงเวลานะเจอความแก่เจอความเจ็บเจอความพัดผ้าสูญเสียหรือแม้กระทั่งเจอความตายใจเราก็ไม่ทุกขนะ์เพราะว่ายอมรับแล้วก็ตระหนักนะถึงความจริงจริงๆถ้าเรา พิจารณาให้ดีๆนะคนที่คนที่เราลักเนี่ยนะเขาก็ไม่ได้ไปไหนเขาก็เพียงแต่แปรสภาพเปลี่ยนสภาพไปเท่านั้นแหละความตายนะเปรี่ยบเหมือนกับนะความตายของคนคนหนึ่งเนี่ยเปลี่ยบเหมือนกับก้อนน้ําแข็งนะที่อยู่ในแก้วแก้วนี่ก็มีน้ําเต็มแล้วก็มีก้อนน้ําแข็งลอยอยู่นะก้อนหนึ่งในเวลาไม่นานเนี่ยก้อนน้ําแข็งก็จะหายไป จากแก้วนั้นถ้าถามว่าก้อนน้าแข็งมันหายไปไหนมันก็ไม่ได้หายไปไหหรอกมันเพียงแต่ละลายกลายเป็นน้ําอยู่ในแก้วก้อนน้าแข็งไม่ได้หายไปไหนนะมันก็อยู่ในนั้นแหละเพียงแต่เปลี่ยนสภาพนะจากของแข็งเป็นของเหลวก็ความตายก็เหมือนกันนะมันเป็นแค่การเปลี่ยนสภาพนะมันมีคนที่เล่าไว้น่าสนใจนะมีลูกคลื่นนะอยู่ลูกนึงเนี่ย กำลังกำลังชื่นชมมีความสุขกับอากาศยามเช้าแล้วก็กระแสลมที่พัดผ่านคือนะ น, น้อยคลื่นนี้เนี่ยมีความสุขแต่สักพักมองไปข้างหน้าก็เห็นคลื่นนะลูกแล้วลูกเล่าเนี่ยมันกระแทกฝั่งแต่กระเซ็นเลยคลื่นน้อยคลื่นนี้ก็ตกใจนะคิดขึ้นมาว่าเนี่ย นี่อีกไม่นานฉันก็จะต้องเป็นเหมือนคลนื่นเหล่านั้นเลยก็คือกระแทกฝังแตกกระจายที่เคยดีใจก็เศร้าสลดขึ้นมาทันทีคลื่นอีกรุ่งหนึ่งเห็นก็เลยถามว่าทําไมเธอถึงเศร้าคลื่นน้อยก็บอกว่าเธอไม่เห็นเลยนะว่าอีกไม่นานเนี่ยเราก็จะต้องกระแทกกับฝังนะแตกกระจายหายไปคลื่นที่ตามหลังมานะก็เลยพูดขึ้นมาว่าเธอไม่ใช่แค่ลูกคลื่นนะ เธอยังเป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรด้วยพอได้ฟังนี้คลื่นน้อยก็เริ่มความความกลัวความวิตกก็หายไปอันนี้เป็นนิทานนะที่สอนเด็กแล้วก็สอนผู้ใหญ่ได้คลื่นไม่ได้หายไปไหนนะคลื่นที่กระแทกฝั่งนะแตกกระจายก็กลับคืนสู่มหาสมุทรนะชีวิตของคนเราเนี่ยหรือว่าของสัตว์ก็ตามเนี่ยก็เหมือนกับลูกคลื่นลูกแล้วลูกเล่านะมีเวลาที่จะสุกสาราญเนี่ย ก็อยู่พักหนึ่งสุดท้ายก็ต้องกระแทกกับฝั่งแตกหายไปเราเรียกว่านั่นนะ่ะคือความตายแต่จริงๆมันเป็นแค่สมมุตินะเพราะาจริงๆคื่นไม่ได้ไปไหนมันก็คืนกลับสู่ท้องทะเลแล้วก็รอเวลาที่จะมีเหตุปัจจัยทำให้เกิดขึ้นหมายตามมาคนเราเนี่ยเมื่อหมดลมนะร่างกายมันก็ไม่ได้หายไปไหนก็คืนสู่ธรรมชาติ และดินน้ำลมายที่คือสู่ธรรมชาติวันดีคืนดีก็นะกลับมาก่อเกิดเป็นชีวิตใหม่เหมือนกับขยะนะ่ขยะที่เกิดจากนะ ส, กสร้สางเศษสร้างดอกไม้นะเศษสร้สางดอกไม้นะพอมันเหี่ยวเฉานะก็กลายเป็นขยะนะรวมทั้งผลไม้ที่เน่ามันกลายเป็นขยะเราทิ้งลงดินอะไรเกิดขึ้นตามมา ไม่ช้าก็เร็วนะดอกไม้ต้นไม้ก็เกิดขึ้นต้นไม้เกิดขึ้นก็มีดอกไม้ตามมาแล้วก็มีผลไม้เกิดขึ้นอีกเสร็จดอกไม้นะซากดอกไม้ซากผลไมนะ้ที่เราทิ้งลงดินนะมาไม่ได้ไปไหนเลยก็กลับนะกลับกลายมาเป็นต้นไม้ดอกไม้แล้วผลไม้อันใหม่ แห่นความตายเนี่ยนะเราไปเข้เาใจหมายถึงการดับการสูญแต่ที่จริงไม่ใช่มันเป็นแค่การเปลี่ยนสภาพเหมือนกับดักแดนะที่มันกลายเป็นผีเสือ้อเนะีเหมือนกับน้ําที่มันละเหยหายกลายเป็นไอแล้วก็กลายเป็นเมฆเราไม่เรียกว่าน้ําตายน้ํามันเพียงแค่ละเหยเปลี่ยนสภาพกลายเป็นเมฆแล้วเมฆเนี่ยมันก็พอ มีน้สาสะสมมากขึ้นมันก็ตกลงมาเป็นฝนเมฆหายไปถามว่าเมฆตายหรือเปล่าเมฆไม่ได้ตายแต่ปลีสภาพกายเป็นฝนตกลงมาเป็นหยดเล็กยดน้อยมันเป็นมีแค่การเปลี่ยนสภาพนะเราไม่เรียกการเปลี่ยนสภาพนั้นว่าตายแต่กับคนนะหรือสัตว์เนี่ยเรากลับเรียกว่าตายแล้วเราก็ติดอยู่กับคาคานี้จนนึกว่ามันคือความดับศูนย์ แต่จริงคือการเปลี่ยนสภาพนะจากก้อนน้าแข็งกลายเป็นน้ําก้อนน้าแข็งมันคืนกับไปเป็นน้ําในแก้วคนเราถ้ามองอย่างนี้เนี่ยนะมันไม่มีความตายนะแล้วมันก็ม่มีผู้ตายด้วยนะถ้าเราปฏิบัติธรรมนะจนกระทั่งถึงขั้นที่เห็นว่ามันไม่มีตัวกนะูไอ้ที่คิดว่ามีตัวกูนี่มันเป็นมายาภาพที่ งขึ้นมาแล้วก็ไปยึดว่าเป็นจริงเป็นจังในการที่ยึดว่ามีตัวกูแล้วก็ของกูตามมาเนี่ยนะมันก็ทำให้เรากลัวความตายเนยเวลาเจอความตายขึ้นมาเนี่ยนะก็จะภวาจนรู้สึกว่านี่กูกำลังจะตายแล้วหรือเนี่ยและก่อนที่จะตายเนี่ยมันก็จะมีกูเนี่ยเป็นผู้ป่วยผู้เจ็บนก่อนที่จะ มีกูพูดเจ็บนะมันก็จะมีกูพู้สูญเสียเป็นเพราะไปยึดไอ้ตัวกูเนี่ยที่ปรุงขึ้นมาเนี่ยนะมันทำให้เกิดความทุกข์เราทุกข์เพราะว่าของกูมันเสื่อมสลายหายไปถ้าเป็นของมึงเนี่ยนะจะสูญเสียงไงกูไม่สนนะคนจะตายกี่ร้อยกี่ล้านคนกูก็ไม่ทุกข์เพราะว่าคนที่ตายเนี่ยไม่ใช่ เป็นเพื่อนไม่ไม่ได้เป็นอะไรกับกูแต่เพียงแค่ลูกของกูนะเพื่อนของกูป่วยยังไม่ทันตายเลยแค่ป่วยเราก็กินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วเนะพราะความไปยึดนะในตัวกูของกูนี่แหละถึงเวลาป่วยนะมันก็มีกูผู้ป่วยขึ้นมาทั้งที่ถ้าเรานะมีปัญญานะมันก็จะเห็นว่าแค่ความป่วยมันเกิดขึ้นกับกายนะ มันมีแต่ความป่วยไม่มีผู้ป่วยหรือมันมีแต่กายป่วยแต่ไม่มีผู้ป่วยแต่เป็นเพราะเราไปเรามองไม่เห็นความจริงตรงนี้นะเราไปเราไปสมมติว่ามีกูนะเป็นเจ้าของร่างกายนี้หรือมีกูนะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกายนี้เวลากายป่วยก็ไม่เห็นตรงนี้ไปเห็นว่าไปรู้สึกว่ากูป่วยก็เกิดความทุกข์ความทรมาน ยิ่งเวลาความตายเกิดขึ้นแทนที่จะเห็นว่ามันมีแต่ความตายนะแต่ไม่มีผู้ตายก็กลับไปสําคัญบรรหมายว่ากูกําลังจะตายถึงเวลาความตายมาถึงก็ทุกทรมานเพราะรู้สึกว่ากูกำลังจะตายไอ้ตัวกูมันไม่ยอมนะไม่ยอมตายมันก็จะต่อสู้ขัดขืนแต่ถ้าเราเห็นนะมีปัญญาเห็นว่าที่จริงแล้วเนี่ยมันไม่มีตัวกูตั้งแต่แรกนะ ทั้งเนืทั้งตัวก็มีแต่กายกับใจไม่มีตัวกูซ้อนไม่มีตัวกูแทรกอยู่ในกายกับใจเลยแม้แต่น้อยถ้ามันมีตัวกูแทรกหรือซ้อนอยู่กับกายกับใจมันก็น่าจะทุกข์นะว่าโอ้กูกำลังจะตายเนี่ยแต่ที่จริงมันไม่มีมันมีแต่กายกับใจกายก็แตกดับไปนะจิตก็แตกดับไปเช่นเดียวกันมันไม่มีกูที่แตกดับเลยเพราะตัวกูไม่มีตั้งแต่แรก ถ้ามีปัญญาเห็นนะอย่างนี้นะมันจะก็จะตระหนักว่าโอ้มันมีแต่ความตายไม่มีผู้ตายแล้วถ้าดูไปจริงๆความตายก็ไม่มีมีแต่การแค่การเปลี่ยนสภาพนะหมุนเวียนเปลี่ยนไปนะไม่จบไม่สิน้นแล้ถ้าเห็นความจริงแบบนี้มันก็ไม่มีความทุกข์นะไม่มีความทุกข์ที่จะมาครอบงามจิตใจได้เนี่ยการปฏิบัติของเราเนี่ยนะ ก็เพื่อที่จะได้มาเห็นความจริงอย่างนี้และนี่แหละนะคือภาวะนิพพานนะความสงบเย็นไม่ต้องมีเงินมีทองมากมายไม่ต้องมีอำนาจนะแต่ว่าก็เป็นสุขอยู่ได้กายมันทุกข์นะเพราะมันเป็นธรรมดาของสังขารนะแต่ว่าจิตไม่ได้ทุกข์ด้วยแม้จิตจะต้องแตกต้องดับนะก็เมื่อไม่ได้คิดว่าเป็นกูเป็นของกูเนี่ย ความแตกดับของจิตก็ก็เป็นศักท์แต่ว่าสภาพสภาพธรรมดาถคนเราเกิดมาทั้งทีนะก็ก็ควรจะมีโอกาสได้เห็นความจริงแบบนี้บ้างแม้จะประพิมประพายหรืออย่างน้อยก็ได้ยินได้ฟังแบบนี้บ้างนะนะไม่ใช่ได้ยินแต่คำอวยพรนะให้ร่ำรวยให้รวยรวยรวย คำอวยพรให้มีอายุวันนัสุขาภัลละทั้งนั่งที่ทั้งหมดเนี่ยมันไม่เที่ยงสักอย่างเลยอายุสุขะวันนัสุัลละพวกนี้มันก็ต้องมีวันเสื่อมไปและขณะที่ยังไม่เสื่อมยังมีอายุยืนนะยังมีสุขภาพดียังมีกาลังวังชามีวันนะนะแต่ก็อาจจะทุกข์ก็ได้ ให้คนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยจำนวนมากก็มีอายุนะของกูคนรักของกูทรัพย์ของกูวันหนึ่งมันสูญเสียแตกดับสลายหายไปก็จิตสลายเศร้าโศกเสียใจฟูมไฟ่คร่ําครวญคนรานี่ถ้ายังไม่เห็นความจริงตรงนี้นะมันก็ยังต้องเจอทุกแบบนี้ร่ําไปจนกว่าจะตายนะตายแล้วก็ต้องไปเจอทุกนะอีกไม่รู้กี่ระรอกนะเพราะว่า มันต้องไปเกิดใหม่แล้วก็ไปเจอทุกข์อีกหยุดวงจรแห่งความทุกข์นั้นนะดยการที่ฝึกใจเห็นความจริงจนหมดความยึดมั่นถือมั่นนะในสิ่งทั้งปวงนะไม่มีตัวกูของกูที่จะมาะล่อหลอกนะให้เป็นทุกข์ได้ต่อไปอันนี้แหละนะก็คือภาวะ น, นิพพานนะที่ได้พูดไปแล้วว่ามันควรจะเป็นจุดมุ่งหมายของชีวิตเรา ทุกคนเลยเพราะผู้ที่ถือตัวเป็นชาวพุทธอ่าคำนี้ก็พูดกันท่า น, นี้กลับ